สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ใน20กฎทองคำของศาสนาจารย์ฟิลิปเทงนะครับซึ่งแปลโดยศาสนาจารย์สุพิธวิจักจุตินนะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้พูดคุนพูดคุยกันถึงเรื่องของคริสเตียนที่จิตใจเป็นแบบรักษากฎระเบียบไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องเป็นกฎระเบียบ จำกัดด้วยหลักการกฎเกณฑ์ชีวิตของเขานั้นก็มีกฎเกณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆก็ถูกผูกมัดจากกฎเกณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดจุดก็ยังไม่พบกับเสรีภาพครับเพราะว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นจะมีเสรีภาพก็โดยเกิดจากพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ครับการที่เราต้องอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงจะได้เสรีภาพที่แท้จริงครับ พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาอยู่ในสาเหตุของเสรีภาพที่แท้จริงประการต่อไปคือประการที่5ก็คือว่าเสรีภาพที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ชีวิตการสร้างสรรค์คนครับในพระธรรมหนึ่งโครินโบที่ 10: บข้อยีท่านอาจารย์เปาโลได้กล่าวว่าเราทําสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทําจําเริญขึ้น เราทำสิ่งสรพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ทำจะจำเริญขึ้นพี่น้องครับเสรีภาพในการทำสิ่งต่างๆได้แต่ต้องมีเป้าหมายในการที่จะสร้างสรรค์ชีวิตคนการสร้างคนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในพระมหาบัญชาของพระเจ้าการสร้างคนให้เป็นสาวกการทาให้ชีวิตของคนธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นคริสเตียนที่เป็นสาวกนั้น เป็นเป้าหมายที่พร ะ, พระเยซูคริสต์ได้ให้กับเราทำพี่น้องครับเราทำทุกสิ่งได้หมดเลยครับแต่มีสิ่งหนึ่งทำไม่ได้ก็คือถ้าเป็นสิ่งที่ไม่สร้างสรรคนอื่นพี่น้องครับเราต้องไม่ทำการไม่สร้างสรร์ในลองกับกันครับเราต้องพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดการสร้างสรรคนอื่น พระคัมภีได้อธิบายว่าย้ายผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นเ ง, <ๆ>งื่อนไขข้อนี้ก็คือว่าเราจะต้องไม่เห็นแก่ตัวครับเราจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นเราจะต้องอยู่เนื้อความต้องการของตัวเองเราจะต้องยึดคนอื่นเป็นหลักหมายความว่าเลยครับหมายความว่าเราจะต้องทิ้งตัวเองปฏิเสธตัวเองกลับมาอีกแล้วนะครับเรื่องราวเดิมๆก็คือการปฏิเสธตัวเอง การปฏิเสธอีโกเซนทริกก็คือเราจะต้องไม่มุ่งเน้นเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางครับแต่เราต้องเป็นอ t h เ r อร์เซน c ริกก็คือว่าเราจะต้องให้คนอื่นเป็นศูนย์กลางเราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นอยู่เพื่อสร้างสรรคนอื่นนี่แหละครับเป็นอิสรภาพมีเสรีภาพที่แท้จริงพี่น้องครับการยึดตัวเองเป็นหลักเป็นอุปสรรคของเสรีภาพที่แท้จริงครับเสรีภาพที่แท้จริงก็คือว่า เราทำสิ่งสรพัดได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เกิดการจำเริญขึ้นการจาเริญขึ้นของคนอื่นๆครับพี่น้องครับเราจะต้องสร้างสรรค์ซึ่งกันและกันสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกสิ่งที่เราทำนั้นต้องมีผลกระทบกับชีวิตของคนอื่นนั่นละครับคือสิ่งที่เราควรทำผลกระทบในที่นี้ก็คือหมายความถึงผลกระทบในแง่บวกนะครับพี่น้อง ผลกระทบในการที่ทำให้คนอื่นนั้นได้เติบโตฝ่ายร่างกายจิตใจจิตวิญญาณนะครับการเติบโตองค์รวมนี่สำคัญครับนะครับหลายครั้งทีเดียวมีความพยายามที่จะทำในสิ่งที่ดีๆแต่ว่าได้รับการตอบสนองมาในทางที่ไม่ดีตอบสนองมาในเชิงของการไม่กระตันอยู่รู้คุณไม่เป็นไรครับผมอยากจะนุนใจให้พวกเราได้ทาการสร้างคนต่อไปครับ สร้างคนนั้นไม่ได้หันมาสร้างอีกคนหนึ่งครับและเราอย่าท้อใจในการที่เราจะทําประโยชน์เพื่อคนอื่นอย่าท้อใจในการที่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นครับอย่าท้อใจในการที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนั่นแะครับคือการมีเสรีภาพที่แท้จริงต่อไปจะเป็นเสรีภาพที่แท้จริงประการที่6นะครับก็คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้า ท่านอาจารย์เปโลกล่าวไว้ใน1โครินโบที่10บข้อยีถึงสานะครับสรุปความได้อย่างนี้ครับว่าเสรีภาพของท่านอาจารย์เปโลท่านเขียนว่าเสรีภาพของข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้าจะทําอะไรก็ตามจงกระทําเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับสิ่งใดๆที่เราทําไปแล้วไม่ถวายเกียรติเราไม่ควรทําครับ เราไม่ควรทําสิ่งที่ขาดการถวายเกยียรติแด่พระเจ้าการทําสิ่งที่ขาดการถวายเกยียรติแด่พระเจ้านั้นก็เป็นความบาปครับโรมบทที่3 13, ขาข้อยีได้กล่าวว่าเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าก็คือการไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นเองครับและเสรีภาพข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากที่สุดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเสรีภาพ ข้อนี้เป็นเสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับพระลักษณะของพระเจ้าเป็นศรีภาพที่เกี่ยวข้องกับพระสิริของพระเจ้าซึ่งเป็นพระลักษณะเป็นคุณคุณธรรมอันดีงามของพระองค์พูดง่ายก็คือว่าเป็นคุณงามความดีของพระองค์เป็นลักษณะขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองพี่น้องครับให้เราที่จะทําตามพระเจ้า ข, ของพระเจ้าให้เราทําตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความยุติธรรมความบริสุทธิ์ที่แท้จริง พี่น้องครับพระเจ้าผู้ทรงเรียกทั้งหลายออกจากความมืดให้เข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์นั้นทรงเรียกเราให้เราในที่สุดเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ให้เราจะท้อนพระสิริของพระองค์ออกมาเป็นนะครับต่อไปนี้เป็นชีวิตของอาจารย์เปาโลซึ่งเป็นพยานถึงสิ่งที่ท่านทำที่กล้าหาญมากท่านทำให้เราทั้งหลายได้เข้าไปสู่หลักการ สุดท้ายในวันนี้ครับซึ่งมีหลักการกดทองคำกดที่5ที่พูดถึงเรื่องของเสรีภาพนั่นเองพี่น้องครับท่านอาจารย์เปาโลท่านทำให้เสรีภาพของท่านนันไรเสรีภาพด้วยใจสมัรการยอมเสียสละการยอมเสียสละเสรีภาพของตัวเองครับพี่น้องครับ เรามาดูกันนะครับมี5ประการด้วยกันประการแรกครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่9กข้อที่5อาจารย์โบารโลท่านเขียนดังนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะพาพี่น้องซึ่งเป็นภรรยาไปไหนไปไหนด้วยกันหรือเหมือนอย่างพวกอัครทูตอื่นๆและน้องๆขององค์พระบุนเจ้าและเคฟาสหรือพี่น้องครับคำว่าสิทธิอาจารย์โบาโลนั้น สมัครใจเสียสละเสรีภาพของตัวเองความจริงแล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะพาพี่น้องซึ่งเป็นภรรยาหรือท่านมีสิทธิ์ที่จะมีภรรยาครับเหมือนกับคนอื่นได้เช่นอัครทูตหรือน้องๆของพระเยซูนั้นก็มีภรรยาก็กพาภรรยาไปไหนไห น, ไหนได้แต่ว่าท่านยินดีที่จะวางสิทธิ์ข้อนี้ครับเพื่อมีความคล่องตัวเพื่อมีเสรีภาพมากขึ้นในการประกาศข่าวประเสรศิฐ และให้การประกาศข่าวประเสริฐนั้นช่วยชีวิตของคนอีกมากมากมายท่านก็ยอมที่จะไม่ใช้สิทธินี้ท่านยอมที่จะสละเสรีภาพของการแต่งงานการมีครอบครัวครับอันนี้เป็นความสมัครใจเป็นการยอมเสียสละเสรีภาพของตัวเองที่เมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่าเสรีภาพที่ไร้เสรีภาพเสรีภาพที่ไร้เสรีภาพโดยใจสมัคร ประการที่สองครับพระวจนะกล่าวต่อไปครับถ้าเราได้หวานปัดใจสำหรับวิญ ญ, ญาณจิตให้แก่ท่านแล้วจะมากไปหรือที่จะเกี่ยวของสำหรับเนื้อหนังจากท่านถ้าคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากท่านเราไม่มีสิทธิที่จะได้รับยิ่งกว่าเขาหรือแต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยเรายอมทนทุกข์ยากสารพัดเพื่อเราจะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางข่าวประเสรศิฐ เรื่องปกฤติพี่น้องครับข้อนี้เองก็ทําให้เรารู้ว่าท่านได้เสียสละเสรีภาพของการรับค่าตอบแทนเห็นไหมครับพี่น้องครับท่านบอกว่าท่านหว่านปัจจัยสําหรับวิญญาณจิตให้กับคริสตจักรต่างๆจะมากไปไหมจะมีสิทธิ์ไหมที่จะได้รับการตอบแทนสําหรับผลประโยชน์ทางเนื้อหนัง เช่นการดูแลเอาใจใส่ค่าตอบแทนก็ดีเงินทองก็ดีท่านมีสิทธ์ไหมคำตอบก็คือว่าท่านมีสิทธ์ครับเพราะว่าท่านเขียนต่อไปว่าถ้าคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะได้ประโยชน์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะรับยิ่งกว่าเขาหรือแต่ถึงกระนั้นอาจารย์เปาโลก็มีได้ใช้สิทธิ์เลยครับอาจารย์เปาโลยอมทนทุกข์ยากสารพัดยอมทนอดทนหิวยอมทนอะไรต่างๆที่ไม่สะดวกสบาย ทนกับความยากจนเพื่ออะไรครับเพื่อว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะขยายออกไปพี่น้องครับนั่นคือความกล้าหาญที่จะยอมเสียสละด้วยใจสมัครครับเสียสละเสรีภาพอิสรภาพของตัวเองที่ควรจะได้เป็นสิทธิ์ของท่านจริงๆท่านควรจะได้แต่ท่านยอมที่จะไม่รับอันที่สามครับ เพราะถึงแม้ข้าพเจ้ามิได้อยู่ในบังคับของผู้ใดข้าพเจ้าก็ยอมตัวเป็นทาส ร, รับใช้คนทั้งปวงเพื่อจะได้ชนะใจคนมากขึ้นในพระธรรมหนึ่งโครินที่9ก้ข้อสิครับเราเห็นว่าท่านยอมสละเสรีภาพในการเป็นตัวของตัวเองครับท่านยอมสละเสรีภาพในการเป็นตัวของตัวเองในการเป็นทาสสมัครเป็นผู้รับใช้ เป็นผู้ที่ยอมสละวางลงในสเสรีภาพของตัวเองเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้คนอื่นมาเป็นคริสเตียนเพื่อจะได้ชนะใจคนอื่นเพื่อที่จะนำวิญญาณมาถึงองค์พระบุญเจ้าเพื่อประโยชน์ของคนคนนั้นที่เขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์พี่คน้องครับถึงแม้จามโโลไม่ได้อยู่ภายใต้อานัตหรือการบังคับของผู้ใดแต่จามโบโลก็สมัครใจที่จะยอมตัวเป็นทาส ร, รับใช้คนทั้งหลาย เพื่อได้มาซึ่งดวงวิญญาณของเขาเหล่านั้นครับประการที่4ครับเพราะเจ้านาพระเจ้าได้กล่าวไว้ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่9ก้ข้อยีต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินี่คือ1โครินบทที่9ก้ข้อยีครับพี่น้องครับท่านยอมสมัครใจสละสิทธิ์หรือเสรีภาพ ในการที่จะวางตัวเองลงในเสรีภาพที่ไม่มีกฎบัญญัติคืออยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้ได้คนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติหลายครั้งทีเดียวท่านเป็นได้ทุกอย่างครับเพื่อจะได้คนที่อยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนยคกับนั่นคือการที่ยอมเสียสละเสรีภาพ ยอมเสียสละอิสรภาพยอมเสียสละสิทธิ์เพื่อที่จะได้มาซึ่งคนอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องครับเราเห็นว่าหลายแลาท่านเสียสละความสุขส่วนตัวไปเป็นมิชชนันนารีไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งดวงวิญญาณของคนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเลยครับที่ยังไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ประการสุดท้ายในเช้าวันนี้ครับ ท่านบอกว่าต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวงเพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทางข้าพเจ้าทําอย่างนี้เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐนั้นนี่คือหนึ่งโครินบทที่9ข้อ22 23ครับพี่น้องครับท่านสละเสรีภาพ ในด้านของความแข็งแรงยอมเป็นคนอ่อนแอท่านยอมเป็นคนทุกชนิดครับเพื่อคนทั้งหลายจะได้รอดประหัวใจของท่านมีอยู่อย่างเดียวครับข่าวประเสริฐนั่นเองพี่น้องครับเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐนั้นพี่น้องครับเราทั้งหลายนั้นเป็นอ v a n g เ l i ริเก็คือเราเป็นผู้ที่เห็นแก่ข่าวประเสริฐเราประกาศข่าวประเสริฐเรานำวิ ญ, ญญาณมาถึงพระเยซูคริส เรามีความเสียสละเรามีการสละสิทธิแห่งความสะดวกสบายทั้งปวงเพื่อที่ให้คนอื่นได้รับความรอดนั่นคือชีวิตของอาจารย์ปเปาโลที่ถ่ายทอดมาถึงเราทั้งหลายการยอมวางและเสียสละก็คือการเลื่อนสูงขึ้นของเสรีภาพครับอาจารย์ปเปาโลในที่สุดนั้นท่านได้เสรีภาพอย่างสูงสุดโดยการสละเสรีภาพ แล้วพระเจ้าก็จะประทานเกียรติในการถูกยกย่องเสรีภาพในการแบ่งปันข่าวประเสริฐและได้รับมงกุฎที่ไม่วันร่วงโรยพี่น้องครับท่านได้รับเสรีภาพในการประกาศข่าวประเสริฐเพราะท่านฉลาดอิสรภาพเสรีภาพในด้านต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเสรีภาพในการประกาศข่าวประเสริฐนําบัญญาณให้มีส่วนขอให้มีส่วนในข่าวประเสริฐพี่น้องครับการยอมวางและเสียสละ ก็คือการเลื่อนสูงขึ้นของเสรีภาพครับดูผิวเผินดูเหมือนสูญเสียเสรีภาพนะครับแต่ความเป็นจริงคือได้เสรีภาพที่แท้จริงและรู้จักใช้เสรภาพรู้จักที่จะเสียสละศสรีภาพของตัวเองเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและการมีส่วนร่วมในการข่าวประเสริฐนี่เป็นผู้ที่น่านับถือและเอาแบบอย่างยิ่งนักอเมน